บุคคลแจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผล 3. พระสกทาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 5. พระอนาคามิผล 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกษุทั้งหลายบุคคล 8. ปดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรของที่เขานำมาถวายเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลผู้ปฏิบัติสี่จำพวกและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนี้เป็นสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรง ประกอบด้วยปัญญาและศีลบุญย่อมมีผลยิ่งแก่มนุษย์ผู้มุ่งบุญบูชากระทำอยู่ทานที่บุคคลให้ในสงนี้ย่อมมีผลมากปทมาปุคละสูตรที่เก้าจบสิบทุติยปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลก สูตรที่สองหกสิ่พิุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่กของที่เขานำมาถวายเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลแปดจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลสา 3. พระสกทาคามิพล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 เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลปดจำพวกคือบุคคลผู้ปฏิบัติสี่จำพวกและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกเป็นสงผู้สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายบุญย่อมมีผลยิ่งกว่ามนุษย์และผู้มุ่งบุญบูชากระทำอยู่ทานที่บุคคลให้ในสงนี้ย่อมมีผลมาก ทุติยปุคละสูตรที่สิบจบโคตมีวักที่หนึ่งจบ